ขอกับพวพ่ลพรัดตะนาตยผู้เปิดทงชัยของพระษากดาษเป็นทงนทยของพวกเรา ท, ทั้งหลายขอขอนมัาการย์คุณครูายจาัอพระเดชตะคุณหลวงพ่อหลวงพ่อคำเชิญหลวงพ่อจารัน น้องพ่อที่แรกก็จำไม่ได้ลืมอีกแล้วน้องน้องปู่วันนี้ก็ท่านก็ให้ผมได้พูดอะไรให้ฟังเออจะเลื่อนพรดาดโยนทุกคนด้วยนะไม่ได้พูดธรรมะไม่เป็นหรอกก็พูดไปตามเรื่องตำร า, ม, ามันเอื่อเราเานี้ยก็ มาทำบุญกันนี่ว่าดีที่สุดเลยละเป็นยอดของของความดีจัทงทั้งหลายเลยนี่แที่เรามาได้เข้าประพฤติปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ของลูกผู้แทนนี้ก็รู้สึกว่ามีความมากมีความมีบุญมากใี่สุดเลยละเพราะว่าเป็นของจริงที่พูดท่านพูดมาให้เรา ฟังคนเราเนี่ยมันอยู่กับทุกข์นอนทุกข์กินทุกข์แต่ว่าเราไม่เห็นทุกข์แล้วก็ท่านก็อยากมาพาโปดมาไผยให้เรารู้เพราะว่าหลายหลายคนที่เกิดมาเนี่ยมันมันรูว่ามันหลายหลายคนมากมากเลยแหละที่เกิดมาเนี่ยมีแต่คนทุกข์ทั้งนั้นลุงปู่ท่านก็เห็นเราทุกข์หลายดุทุกข์มากมากหลายเราก็เท่าก็ไป ประพฤติปฏิบัติไปหาประพฤติประเดริทางไหนที่ดีดีก็ทานเข้าไปไปแล้วก็จนได้ของกิงมาพูดให้เราฟังรู้สึกว่าบุญมากหลายที่สุดเนี่ยเนี่ย น, น ห, นให้ให้เข้าใจพวกเราอ่ะมาอยู่หลายหลายคนนี่ก็ไม่เคยได้เรียนรู้หรอกเรื่องเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษ อะไรอย่างเนี้ยตั้งแต่ก่อนก็อยากจะได้ยินได้ข่าวว่าบุญเอีบุญเนี่ยก็ไม่ว่าตายไปแล้วยังจะได้ไปเห็นบุญตกนรกก็ตายไปยังเคยจะได้ไปตกนรกแต่ที่จริงเราเรามารู้จักพอเรามารู้จักเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราสร้างหมดทุกอย่างเลยคุณโยมเราสร้างขึ้นหมดเลยมาสร้างนรก เราก็สร้างขึ้นเองสวรรค์เราก็สร้างขึ้นเองอนิพพานเราก็สร้างขึ้นเองเร า, รานึากว่ามาแล้วก็มาปบถนาอ้อนวอนให้ถึงนั้นมาช่วยให้ถึงนั้นมาช่วยให้ขอได้พบอพระพุทธเจ้าหรือว่ามาไปถึงนิพพานในพุทธการก็ปบถนาอ้อนวอนอย่างนี้เนี่ยพวกเรานั่น ให้รู้จักของกิงอยู่กับพวกเราเนี่ยอย่าไปโปรดถนาบัตรนาอ้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดมากุมมากหูมาลุมหุ้มเราให้เราได้ไปถูกถูกคติไม่มีใครจะมาสร้างให้เราได้หรอกนอกเราคนเดียวเกิดโรคเมื่อเนี่ยมาคนหมดโลกไหละ่ะทาบาป ท, ทำกรรมอะไรทุกอย่างนั้นนะ่ะมันก็สร้างขึ้นมาเอง เรามันเนี่ยถ้าเราไม่มาเพราะมาเจอเราปู่หรือมาเข้าประเภทปฏิบัติเนี่ยเราจะเป็นผู้มาทําลายตัวเองเลยเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเกิดมานี่เราไม่รู้จักรบาปบุญคุณโทษเราก็ไม่รู้จักดาวโลกสร้างวันก็ไม่รู้จักออาวอนวอนอยากให้นั้นมาช่วยนี่มาช่วยซึ่งตะติดนะคซึ่งตกติดนั้ น, น, นอยู่กับอะไรคือคือคื อ, ค อ, อ ง, งามความดีของเราเนี่ย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันอยู่กับเราเนี่ยเป็นยอดบุญยอดกุศลก็อยู่ในกับเราถ้าเรารู้จักแล้วมันก็รู้จักทางไปทางไปนิพพานทางไปหาสวรรค์ทางไปหานานรกแล้วก็เว้นออกจากทางไปนรกซะของที่ไมด่ดีคือความโมโหความโกรธ ค, ความบลัดรับ เ, เรียบกันเนี่ยทําให้คนอื่นเราตกทุกขได้ยากหรือไปข่มแหงเขาให้เขาเดืยดดี เสีย อ, ออกสียใจอย่างเนี้ยเนี่ยต่างเราอยากให้เขาผิดหวังยาให้เขาล้มเขาตายอยากให้เขาไปตายแต่เร็วแล้วมันมันไม่ได้กับใครหรอกมันได้กับเราที่เราว่าอยู่เนี่ยเราพวกพู้ผู้เราเราเร า, เรามาเห็นอยูเนี่ยแล้วเราสร้างสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้จักเลยว่ามันที่เป็นอะไรอ่าเนี่หนละได้ขับเราทั้งหมดเลยคนอื่นเขาไม่ได้หรอก กุปก ร, รมของใค ร, รรมของมันทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชัว่วเนี่ยมันมีใครจะมาทำให้เราอย่างเรามาพุทธปฏิบัติเนี่ ย, เ, ยเราแบบเข้ามาเราก็เห็นบุญเข้ามาเราก็เห็นเนี่ยทำไปแล้วก็ตกทุกข์ได้ยากแล้วก็รู้จักเรากวก็ตีโพยตีภายเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดตั้งแต่มันจะพาเราไปเดี๋ยวเรไปคิดไปตำ ที่เขาบอกเขาพาไปเลยเนี่ยเรานพยายามอย่าไปเอาอะไรทั้งหมดให้มาดูชีวิตจิตใจของเราสิ่งที่มันพาเราท่องเที่ยวไปตามวัตฏะสงสารสิ่งที่เอ่นี่แหละที่เราไปเห็นอยู่ในเนี่ยคือความคิดคิดดีคิดชั่วคิดอิจฉาคิดประโาชน์คิดจองร่างจองผานคิดอยากได้อย่างนั้นคิดอยากได้อย่างนี้คิดจยากเป็นอย่างนั้นคิดจยกเป็นอย่างนี้สารพัดเรื่งแต่มันจะคิดไป เนี่ยแล้วมันไม่แค่รอกเป็นอย่างนั้นนะมีตั้งแต่สร้างพบสร้างขาด น, นั่นแหละเมื่อเราไม่ไปติดกับสิ่งนี้ปราจะลร่มจะตายไปนะมันจะสิ่งนี้แหละจะพาเราไปเป็นหัวหน้าไปนี่เข้าในมอรมอร์ลรกหรือทุกตกทุกได้ยากที่ไหนก็สิ่งเหล่านี้อาจะพาเราไปเพราะฉะนั้นให้เรามาพยายามมาดูตัวเองเรื่องของคนอื่น อย่าไปถือษาของเขาอย่าไปว่าเขาผิดเขาอะไรเขาก็เรื่องของเขาเพราะว่าถ้ามันอะไรมันไม่ดีเขามาเนี่ยเราอยากไปดูเขาจะไปดูหมิ่นประมาทเขาให้เรามาดูตัวเร า, าเนี่ยเบี่ยนหลงให้มันเป็นรูท่านไหนแหละคือความหลงเนี่ยไปอิจฉาคนนั้นไปอิจฉานี่อยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากให้เขาเป็นอย่างนี้เนีย่ยแล้วมันก็ได้กับเราทั้งหมดเลยมาคิดแล้ว เรามาสร้างกรรมให้ตัวเองสร้างจนว่าจนจนว่าไม่มีทางไปนั่นแหละพอเราเห็นเนี่ยมันมาคิดเห็นเนีมันน้อยอกน้อยใจเรามาปฏิบัติเนี่ยไม่ตั้งแต่สิ่งว่าทำร้ายร้ายตัวเองทั้งนั้นเนี่ยไม่มีอะไรจะมาทำให้เราถ้าเราไม่รู้จากสิ่งนี้นะก็เราเกิดมาทำร้ายตัวเองเนี่ยให้คิดเอา มันไม่มีใครจะมาทําให้เราดอกบุญเราก็ทำเอาเองความทุกข์จนหนนให้ทั้งหมดเนี่ยเขาทำไมจึงทุกตกทุกตะยากเกิดมาในมนุษย์เนี่ยเพราะเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีความอาไม่มีความอ่อนวอนไม่มีไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวต่อกันมีแต่เอารัดเอาเปรียบกันไปใครก็กลัวตัวจะไม่ได้มากกว่าเขาว่าเขาจะเอาเราเอาไปก่อนเราทั้งหมด ไปด่าเพราะว่าเขากันหรืออันคนโกรธกันเนี่ยไปไว่ากันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะไปจะไปเอาถ้าเราไม่เอานั้นอ่ะอ่าเมื่อถ้าเขาว่าว่าเราเนี่ยถ้าเราไม่เอาเขาก็ไปอันเรื่องเรื่องเขาว่าว่าเนี่ยก็ไปหาเขาหมดนั่นแหละเราเพราะนั่นนี่แหละเหมือนกันนั่นแหละอถ้ามันไปไว่าเขาเนี่ยไปตีเขาไปไว่าเขาเนี่ยมันก็ ท, ทําโทษตัวเองนั่นแหละ ไม่ใช่ว่าจะไปทำโทษคนอื่นเนี่ยให้คิดเอาแล้วว่าเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยทําแต่บาปหลายตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยอายุเกิดมาตั้งแต่เราเดินเดินเป็นเราจะพยายามทำเอาความบาปเนี่ยเรื่อยๆเรื่อยๆไปไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่เราจะพาไปเออทาแบบนั้นแบบนี้ไปตลอดพระจึงจะทําไปเออไปหาค่าตัดชีวิตเด็กเด็กเด็ก ตัวเล็กๆน่อยไมนก็ับไปฆ่าไป อ, าอะไรเขาไปเดินเดินเดิ ม, เ ม, เ ม, มาเดิน ม, มาจะเป็นเล็กน้อยนั่นแหละจัใหญ่ขึ้นมาเอารัดเอาเปรียบกันนี่แหละคอยส่องหองสองผลความเอารัดเอาเปียกไม่ให้คนได้เขาได้ ม, มากกว่าเราเราเองเลยอยากไปไปเอาไปเอาก่อนเขาหมดไปเถียงกันไปด่ากันไปว่ากันอใครก็กลัวแต่ใครจะไม่ได้มากกว่ากัน นั่นแหละมันไม่รู้จักอะไรแล้วก็ไปของที่ไม่ดีดแท้แท้แท้เนี่ยใครเอาให้ใครเขาก็ไม่ียกได้หรอกแต่ว่าเราไปยุดชิงกันอย่างนั้นน่ะนั่นแหละให้รู้จักลนะวันเนี้คือเราไปทำโทษตัวเองไม้อยากให้เขาตายปราตายมันกลับคืนมาของของเราเองเนี่ยเหมือนในความดีกับกับความจนสะดวกสบายเนี่ย เราเกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาจนถึงวันตายเนี่ยบางคนก็ตายน้อยก็มีตายมากก็มีอายุครบปดก็ถีบก็มีเจ็ดตีแปดตีก็ถือว่านี้เนี่ยเราเรามาหอดถึงวันวันตายตัวเองเน่ะเอาความตายของเราเนี่ยอันิ่งที่เราทําชั่วลงไปน่่ะมาแข่ง ก, กันกับทิ่ที่ทําดี อันทำดีนั่นมันจะมีอะไรใสไหมว่าอันอาจจะจะมีอะไรทำชั่วแต่มีอะไรใส่ไหมทำดีนั้นก็จะมีอะไรใส่อันใดอะไรจะใสมากได้มากกว่ากันอาตมาคิดว่าความดีของเราเนี่ยมันไม่ได้ติดเดียวกับความช่วเลยความชั่วเนี่ยหาอะไรใจไม่ไ ห, ไหวฆ่าตัดตัดชีวิตทำบาปตัวเองไปอิทธาพยาบาท จองร่างจองผานคนนั้นคนนี้เอาลัดเอาเปรียบกันโอ้สารพัดผมคิดว่าอาตมาจะคิดว่าเกิดมาชาติเนี่เกิดมาเล่นเกิดมาทำโทษตัวเองไม่รู้ว่าจะมาใช่้โดยจากกี่กับขี่กันจนจะได้มาเกิดอีกอเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะนะมพะพยายามอย่าไปแต่ไล่ไปขีกันอย่าไปเอารัดเอาเปรียบกันหมู่มนุษย์ด้วยกัน่ะให้สงสาร เนี่ยลุงพ่อนี่ยกาว่าใครแล้วเนี่ยไม่อยากอิดไม่อิดเาพยาบาทไม่อยากจองร่างกองผ่านใครถ้าเราทําคนงามคนดีไปแล้วก็มีความถูกถ้าเราทําความไม่ดีแล้วก็เป็นความทุกข์มันเป็นสมบัติของเราเองไม่มีใครจะมาทําให้เราเลยเนี่ยการทำโทษให้กันให้กันเนี่ยคนความทุกข์ความจนความทุกข์ยากเสียใจเนี่ยเราทําไม่ดีมันก็ได้แต่เรานัในแบบไม่มีใครจะมาทําให้เราเลย เราทําเองทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นให้พยายามอยากตูมิมินประมาทเกิดมาตา น, นี้เนะี่ยโรคที่เราทําอยู่ในบุญที่เราทําอยู่นี้เนะี่ยมันหมดไม่เป็นหรอกนะไม่เป็นไม่เป็นเพราะว่าเรามาฝึกชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้อ่อนน้อมท่องตัวให้มีความสมาธิสมาการสมัธิสมัธิสมาคีกันไม่เอารับไม่เอาเพียดเบียบกันเนี่ยใครตกทุกข์ยากก็ช่วยกัน ให้คนใดที่ตกทุกข์แล้วก็ช่วยกันให้มันมีความถูกด้วยกันไปเรื่อยๆไปแล้วก็จะดีไม่ก็จะไปที่ไหนก็ได้รับความถูกความเจริญเนี่ยมันเพราะฉะนั้นไม่มีใครจะมาทำให้เราเราทำเองอยากได้ดีเราก็ต้องทำเอาตอนเราเป็นคนเนี่ยทำได้ดีหมดทุกอย่างได้เบ็ดทุกคนเล ย, เยไม่มีใครจะมาแน่นอก อยากทำดีก็ตอนเราเป็นคนนี่แหละถ้าเราเป็นคนม า, มาเนี่ยเราไม่ทำดีเนี่ยจิตใจของเรากโซ่มองเนี่ยแต่เนมีแต่ความเจ้าความโตกความเจ้าไม่ได้รลบความบวเบิกบานเลยยานกรรมของเรากรรมคือการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นแหละเพราะฉะนั้น เราอย่าไปเอารัดเอาเปรียบกันตั้งแต่นี้เป็นต้นไปให้พยายามาให้มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยพวกทุกทุกคนเนี่ยพุทธศาสนานี่พ่อแม่เราก็พามาถือมาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเราทำผิดทำถูกอยู่ตลอดเวล า, อาพอแม่ลูกเทียนมาอบอรมข้ออะไรก็มีแต่แต่บาปหมด ทำได้ดีก็ว่าบาะเห็นนรกเป็นตะวันเห็นกุศลเป็นดวงวะเห็นผิดเป็นถูกออมีแต่อยากชนะอยากเอาัดเอาเปรียบเขาไปตะพุตตะพือไปอันนั้นแหะมันทาทำเขาเป็นตกต่ำนเนี่ยมันไม่ดีพยายามให้ใ ห, ให้ให้มาทำดีแลวละ่ะที่หลวงปู่ท่านมาสอนเราเนี่ยพอมาเห็นเนี่ยเราหลวงพ่อ มาบวชก่อทิศแรกเนี่ยบวชแล้วก็หลงทางหลงทางไปพต่งตะเือไปเอาละตะเรียบคนไม่ไม่ได้ดีหรอกเพราะว่าถ้าไม่มาปฏิบัติแบบที่เราของเราเนี่ยจิตใจเนี่ยไม่มีเลยละทางจะเรียมใจของฝองแควที่ขาดความสะอาดเป็นใจที่โสกปกมีแต่ความ มืดหม่นอวนการมาครอบงำชีวิตปิตใจของเรามันจะเป็นอย่างนั้นเองวันนี้เรารู้จักแล้วเราจะไม่ทําอีกเนี่ยให้ค่อยไปค่อยๆมาเอย่าใ จ, จดูคนอื่นให้มาดูตัวเองเนี่ยมาดูชีวิตปิตใจของเราเนี่ยเวลามันดีมันก็สบายเวลาใจไม่ดีนเนี่ยมันก็ใจมกกไม่กระโตกกระโกนั่นแหละอยากอิจฉา ค่จว่าถึงอะไรก็แล้วแต่เอาลัดเอาเปรียบคนนั้นก็เหมือนกันคนนี้เหมือนกันเราจะไปทำทำแล้วก็เป็นได้ของเราบัด น, นี้ก็ให้เราเข้าใจเข้าใจแล้วก็เอ่อเราก็จะมาคาดดูก็ไม่ได้เอาลัดเอาเปรียบใครแล้วต่อไปก็เราก็ไบมบ่มีใครจะมาทําให้เราตกทุกข์ได้ยากเลยเพราะเราไม่เอาลัดเอาเปรียบใครมีแต่ อ่อนน้อมถ่อมตัวกันไปไปแล้วก็มีแต่ความสงสารไปด้วยกันนั่นแหละให้เราพยายามเนี่ยหลวงพ่อก็บอกวันไม่แก่ไม่ไม่อยากจะพูดโดยธรรมะเนี่ยเพราะว่าพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นก็พูดไปตามเรื่ยงตามราวมันไปเนี่ยเพราะว่าไม่ได้เป็นเรียนอะไรอยู่กับป่ากับ ไล่กับนากับวัวกับสวนจนเท่าจนแจกาอายุห้าสิเจ็ดปีทำงานหลายเมื่อก็จะตายอาขอแม่บ้านให้ไปบวชบวดจากบันปีหนึ่งอยากให้ไปบวชไหมเขาก็ว่าอาสุแลตจะบวชแล้วเขาก็บอกว่างั้นอบอกว่าถ้าบวชแล้วท้าไม่ถึถกจะทำไงแพ่งดีโอท่านเขาว่าให้าาบาสอ ไม่อยากให้ไม่อยากให้เมตโตทุกได้อยอกเดินหาหลวงคิดตายและใ ห, ห้หรอพ อ, อ, อ, อพอพอพอถวาท่ า, านเป็นวานแล้วก็ก็ไปบวชไปน้องพระครูสีท่างแต่ก่อนท่านมาอยู่พระเครื่องน้องก็มาบวชอยู่ที่น้องพรพระครูสีน่ะท่านมาเข้าปฏิวัติกรรมอยุ่เ ข, ข้าวัน ว่าหลวงพ่อก็ขอบ้านมาบวชมาวบวชมาสองคนสองคนกับคนเท่าคนหนึ่งหลวงพ่อก็ยังไม่แก่แค่ไหนหรอกอายุห้าสิบเจ็ดปีพอมาถึงมาถึงบ้านท่านก็ประมาณตีสี่ทุ่มก็เออเฮ้อ เวลาเนะนี่ยถึง น, นละสองสองมงในละสองโมงเย็นเนี่ยนะก็ว่าของพอ่อผมจะมาขอลาบวดจะดบวดให้ผมในใ บ, บ้านครับในวานนั้นขอทางว่าจะบวดกีวันท่านบอกทำทำผมก็ค่อยให้ผมดูให้คา่านทำทุลาไปก่อน เป็นผู้กะเจือผิ์พัไม่ทราบครับหรือตูอยู่ตลอดก็ไมนว่าผู้หรือจะไม่อยู่จากห้าวันหกโอหกวัน7็ดวันในคงได้หรอครับ <S <S <S ท่านก็บอกให้ไปปรนตรงผมตรงผมแล้วก็ตอนตีสี่ให้มาบวชเด้อท่านบอกฟัง น, นั้ น, น, ส, นส่วนเครื่องบวชเครื่องอะไรงมทอง แม่ก็ไม่กล้าขอขอขอลูกขอเมียขอลูกเขาเบี่ไปนั่นะมีลูกเขาเห็นอ้มาให้ร5อยห้าสิบบาทเามียก็ให้ร5อยห้าิบาทเป็น3ามร้อยเหตหวยมันจะพกคุมรู้สนอะมาทถอะน่ยบเถียวเสียมถิมแล้ววัดออกก็ไปนีพอพอบวดแล้วก็เอ า, าตะตางไปให้ หลวงพ่อสามรอยบาทเอ้อผมบ่มีผ้าบม่มีอาจารย์ได้ผมก็ได้เอาอันอย่ยังมาตด้งได้อยท่านครผมมาแต่ตัวเปล่าท้ากวางไม่เป็นไรแล้วครับท่านบอกนี้ก็ไปปวดท่านปวดแล้วก็พอออกพอพำงานเสร็จแล้วก็พวกบ้านก็ไปรับไปรับแเ้วจะเอามาสืก พเราไม่แน่ดอกพอมาแล้วก็กําลังไปเอาใบจดทะเอยู่กับเจ้าอุบุธาอไปเอาแล้วก็เห็นคนขี่รถมาลหลายน่ะมาแล้วก็อี่รถมาจากไหนมาหลายแท็กมาถอดหน้าต้นหน้าผม่นนี่มาจุดมาจดเต็มวัเนี่ยมาลูก ม, มาบ่างวานเนี่ย มาวันนี้ตปลูกเจ้าของกับพี่ต้องมามาให้ใส่ไหมเนี่ยหลวงพ่อวดไปได้ก็ให้อีกวะ <c oughs> ให้น้ำโคโอ้ยจะฝ่าให้แล้วนะหลวง่อหนุ่มดไปด้เลยวอวะาึ้นกับหัวควนั่นอ่ะพวกมึงดูว่านะโอ้วะกะตุ้งทันละเอาพ่อวแลเรานี่ละให้เขาไปกอนจักหาเมือ่อ เอกติดไปหนูไปหาดอกบ่ดอกีบ้านหาดอกสนุกให้ไปบ้านเจ้ากันดูเจ้าเขาก็พากันไปบ้านเอา อ, อาจารย์พอมาบ้านเนี่ยให้ไปดูจังห ว, วัดจังหวัดจันโน่น่ะท่านไปทำบวชโดยสารทำหมดอะไรนะอกเขาเขาจะทำเิ็นแลยละ่ะไปอยู่ที่นั่น ไปแล้วก็แขนรีบหมดเลยบ้านเนี่ยปวดแขนไปอยู่ ท, งทงองคนอององค์ไปด้วยกันนะก็ไปถึงนั่นก็ไปอยู่อดไม่ไหวแล้วอันแขนไม่รีบออกบิดอาจจะจับอลไรก็จับไม่ได้ก็ขอท่านกลับบ้านกลับบ้านมาหาตกน้าเพอ่ท่านก็เออถามมา มามาเลยน้องพ่อผมจะมาจึกว่ามาทึกครับวันเออมาจึกก็ไปไปเข้ากรรมกันเด้อับว่าเข้าไปเข้ากรรมไปเข้าเข้ากรรมนั่นนรรรรนนแหละไปเห็นจ้างจ้างจังหวะนี่แหละก็อยากอายแล้ววันเนี้ย ไม่กลา้าไม่กลา้าไม่กลา้าไม่กลา้กลาตั้งจังหวะแล้วก็เดินตะโกนแม่พอพอเดินได้อยู่เพราะว่าอยู่ที่ไปทําัาญัตอ๋อว่ว่าวว่าโคำเกิดไประลับทำหวงเลยว่าไปบันทึกถึงก็หามาบันทึไปก็ <c oughs> ให้ไปตำษาด้วยวะนี่ยตอนนั้นพูดให้ไปตำษาโย่วทุ่งตะเคียนท่งเขาทุ่งตะเคียนะถูอเปลรกระไ้าเราถึงก็ก็ถค่อยๆต้เต้นเว่นเบ็ดเขามาเราค่อยเขามาเขามาดังกุ้งกุ้งงไม่ติดหอ้าวมันม่มันทํามันน่ะไม่เท่าไรมันมา ตีดัง็ได้าแถวันจรียแถวนั้นคนก็พูดชักเล่ลพู้จักวัดพิโอกอไปย่มกัน6กคนอคอยดังขมาดังขมาดังขมาดังข ม, ม, มาจนบินกลายไ ป, ไปอีกจนมาบัดนิ้เตียงคนะก็าก็โทษน้ำว่าไม่ได้หัดเสี่ยงแล้าก็ให้แต่เราให้ฝึกห า, าเท่าไอร์ด้อ น้าลับเอาถ้าที่ทบิดไปแบบไม่ต้าเหรอนึกว่าขอใบ็ดไปเบ็ดีนะเขาต้องอย่ที่นั่ น, น้ันบานนี้ก็พ่อบ้านล้อพ่อพ่อท่านก็เพน้น้องพ่อจัลันน้องพ่อเอ่อคำเขียนไม่ได้นนละกับเนือมาน่าเกิดัลัน อาจารย์อเนกน้องพ่อบุญขบุญน้องพ่อผมเข้ามาทำตัวหนึ่งบ้านหนองแกเนี่ยไปตอนถอนเนี่ยตั้งแต่ก่อนเป็นเมนมาไม่เคยได้รู้จักอะไรเป็นอะไรเลยอ่าก็ตรวจแบบไปว่า ก็ตอบเป็นนักทำทีตอบเปเรียนนักทำทีแล้วก็เราไปเอาหนังสือม า, อ, าอ่านดูเอาเอา่เอนั่นหละครับมหาสเตอรท่านเป็นมหาลัตายวะและคลิปดูเดียวกันนะก็ไปเรียนไปดูแต่งตัวก่อนท่านไม่ได้สอนได้ครูบาอาจารย์สอนนะบอกว่าโอ้พวกเรานี่ ไม่ได้เป็นอะณาหันรเกเกิดมาชาติเนี่ยมันมีบุญสันมันบดดุนบดนันแหละบดเวล่าแล้วสันกายเวล่าแล้วสันเดี๋ gucken, salts, ี้เข้าเฟนลูกสมุนทูตทองเฟนมาเลบะท่านท่านน่ะขั้นโตมาท่านก็ถือได้เป็นพทารหันดีขนาดปฏิบัติธรรมะธัรโนนะสัน แต่้บรรธีเท่านั้นที่ตอนนี้เพื negative, พ่ finden, dash, table, look.. be, the, อนเพื birthday, to, dus, AD, ่นว่ามันบดพุทธศาสนาเขาเลยไม่ได้ไม่ได้นอนดลกบไ่ได้ยึดไปเด็กวามันจะนีก็เอาละเอาชนะบัดนีบวชโหกับพุทธพุทธเทียนเนี่ยทพมาเทพห่างมาเทศเลี้ยงนี่แหละเลี้ยงพระอรหันต์นี่แหละห่างอ่าอนี้คน่ว่าหอพว่ามันบดได้แล้วพออชัด พู้ตศดสินาแล้วะเหนวาอนนั้นเป็นยังไงนเนบี้ไดว่าทีอนั้นคนเนีท่นบว่าบันทุกผู้ตสนาแล้วมันทันกับ่ยังอยู่ที่ถ้าคนเราเนี่ยถ้ามาีมีคน ป, ปฏิบัติเนี่ยมีฟิกตุแล้วมีฟิกตุฟิมีอุบัตอุบัติการ ยังประพฤติปฏิบัติอยู่จะไม่เพิ่นพระอรหันต์ออกจากโลกนี้ไปได้เลยต้องมีอยู่เดีนี้มีว่าเราพอมีทำไมจะไม่มีท่านว่าอ่ะว่าพวกคนไม่ไปเห็นมันอ่ะที่เป็นพระอรหันต์ในแบบว่ามุขบ้ามบัมดินในแบบนี้เพราะคนบรรยากาศในแบบในพวกคนไม่เคยเห็นมัน เฮ้ยผาหายก็คือคนเข้าหนุ่ยละคนพนันนะเนี่ยบ่คือกันกับคนเข้าหนุ่ยละขั่นเตะอันเปัดนั่นนะมันโยกไก่กิเลสมนแล้วฝันว่าฝันบานน่ะนมันบอกไม่มีกิเลสติดตัวตนวติดตัวไปหันหลังให้กิเลสนะไม่จากว่าท่านเออนั่นแหละให้พวกพัะเจเนี่ยถ้านักเฮ็ดเอาโนดใหท่านว่านะมาบอกเหตุฮาโุ เนเนโน่ทีได้รับบาดเบเนโ่ขึ้จากรถทดเร็งเลยผมอะจงพอโทรมงบ้เป็นในน่มือเขาตืดๆร้ายอยู่มาเนี่ยบ้าบ้ตทีได้ไหวบาผมจากรถทดร็งมึงเป็ดนเลกกระังวัตเดี้วเออเขามาท่านกอ่นนันเป็นเนโน่เป็นเป็นเป็นปฏิบัติทุท่านโอ้แต่หลวงพ่อจากนั้นเป็นเมื่อตั้งแต่ รับสนามให้ผู้น่าท่านถึงบัตรโน้นโน้นผู้น่าท่านโอ้ไปขอต้องเชิญพู้นี้ให้ไปพุทธาท่านกลับไปพู้นล้วไปาะกราบไหว้ผูนั้อ่ไม่รองพ่อท่านโอ้รองพ่อหายม้นไปนั้นได้ถียงรับไป่แต่ธรรมาวะท่นโอ้อันใจเหวอพ่านว่าน่ะมันจะไปกินสมบัติเยอะโบราณมันจะไปพบบุญโดยเขาที่ไดเป็นพระนักพหันเขาสักวะหน่ะมันยากหลายทะเลท่นเขากับ <unto> ไปหัดกินยังไงก็หัดยางเว้ยไม่ต่นแนวหัดบิดกูเดียวเดาแล้วนะว่ากันแล้วอ้าวถ้าอาจารย์ก็ยังเหตุไป็นื่อครับผมกคอค้นด้วยกับน้องรัตุนยาก็ไม่ได้สูบด้ยเพรว่าน่ะอ๋ออันนี้ก็ได้เราไม่ได้บ่อยกินนพร่น่ะเว้ยอันนั้นเป็นไมก่กินมากนั้าดูว่ผมบุญกินเช้าเราสนับบุดีผมก็เศร้าสูบครับ เออเามาสั่นใจก็ได้อสอะนน่ะไปไปเว้ยไปปฏิบัติธมย้อนน่ะไปลกเบื่อเดินต่งกลมเอ้ยมันเกิดมากอะเาเคยทุกข์าเคยยากาไปปฏิบัติธรรมเาอ น, นี้ก็บยากนนันปฏิบัติธรรมนะเน ก, ก, ก, ก็บแขเก็บขาวกเาเขานอนเว้ยมีแต่จะแน่วทุกข์ยากยากไป เนี่ยที่ไปเห็นได้ก็มีแต่ทุกข์ยากาย่างไปถึงที่กคิดผู้ท่านเว้ยคิดเนี่ยนะ ค, คิดบูนี่อย่างบู้ท่านเดินบูนก็สอนเข้ามาคิดบูนนั่นสอนเข้ามาแต่ผู้แต่ผู้เว้ยไปตงไหนถึงจตายอยู่แต่ผู้นเป็นยังไงเพราะว่าท่ามาอุ้ยมิตรสอนอมิตรเปยจาเป็นเจ้าเมย์นางก็ตลอดขึ้นจะขึ้นก็วันฝันวันในนังคิดวันหลับมิตรคิด มิติคิดกับคิดสนุกเพื่นบอกว่าเอ้ามนก็เจิงสันหละหันว่นนะให้นเบ่งกายแคลนไว้ให้ลูเด้อวังให้ลูกจนเบ้อบอกใหาบอกใช่ไหมบอกล้กายไปนะใหู้จักให้ลูก็เฮ็ดตึ้งเลยแล้วกายใหาด้วยเด้อคึ้นมารู้นี่อเบมึงกายมึงเนี่ยก็บเบ่งเพื่อนเพื่นวันนี้กายนี่หวยคนหลงแล้วหลงบ่เห็นเจ้าของจักเลยนะคือเบ้เห็นกายกับใจเอาทันพานวันนะ ยื้อจนตายก็ไม่เห็นกายกับใจจนไม่คนบจะกายกับใจนึกก็บ้าทังเลยส่งมาล่ะก็ดที่าะเก็เถียงเพื่อนอีกวันอากาเอ้เพื่อนมาจับบึงมาจับนี่ไม่หยังเพื่นจับแขียนแขยนว่าเอออามีเรอเพื่นอามีกระคาเพื่อนเนี่ยเพ่นยังไห้วาดรูปน้ำไมสมเพื่อนว่าน่ะเพ่นยังไห้ว่าเพื่นังรูปจากน้ำเ่ ได้ไม่ผูกจักก็ว่าคาและว่าแขนไป่ผูกแ้เป็นพวงหน่อในทําด้ก็ทาโอ้ทำแม่นทดสอบถูกดีท่พ ร, ร ะ, ะ่านพรแต่ตัวมันไ่ือเี่จะเป็นตอบกเพราะฝาเส้าบ้านหอมันก็ไม่อออบบไผูจักแล้วโอ้เห็นตีงสันเจมันสาหักเลยพระแม่ถูกอ่ะทุกอยากได้ไรอยากได้บ่เคยเห็นอยากได้ น, นดางพรทนพแม่บ่รับรบ่บบนอน อันต out ียก็นมันได้ก็าอดเอาอย่างเมื่อใดขึ้นมาทำมาแท้มันจะเป็นเพื่อนบ้านเอาอย่างสั้นมันเบ็ดบ็ตั้งแต่เข้ายางเถอะยางสื่สกัดยานมันเบยานไปเห็นยานมันมีอุากันตัวนแรกยางไปบ่ก็พูดชักแล้วพูพูพููดไดแล้วเอันพูว่ารูปน้ำเหมือนพอเว้ยใครบกหูจังรูปน้าก็บานเขานว่า่นว่าพ่อนยกบึ้ง อันนี้ไม่ยงเงน่ะไม่ยังไงไม่ยงตอบเป็นจรงเลยอันนี้เมียงนอฟองมีมีเงฟอ่าทันนะจะตอบสมบูรได้นอะเท่าน่ะอ๋อเกดยังไงจกระเจีงเห็นสมบูรณ์เดกก็เห็นดินเหพร้จัเหมือนว่าโอ้เจ้า่ท่านระเดระเน้ำจะสงเดีนบาดจ็โอ้ยถูกแล้วันนี้โอ้ยยื่อตั้งหลายเดือนเลยนะจงเดนทำเดนอันนึ่ทนระนะ ไม่จ้ดื่มจากน้ำนะโอ้ยเหตุใดจพอเนี่ยว่านุ่นเงานอนเธอก็โอ้ยเงานอนเนี่ยจ้าเป็นสาตร์มันเงาเด็กเดีเอ่ออันมืนด้วยแค่ไหนว่ากลับอะรับดี่เพิ่งจับว่ารับเท่านั้นแล้วรับนี่อันตายมืนเห็นไม่เลยอ่ะันมันหลับนะอ่ะอันว่าเขาอ่อนแต่แต่ต้มนะเว้ยปัทธะตายว่ามีมีคนหนึ่งก็หันละเมื่อจับแขนลุกขึ้น วเป็นวุาตมาวุฒิาตานวะงพ่ออนัรนั่งดูตอนนี้ทอดแล้วก็ยังยู่ทอดเลยนะหลงพ่อเนี่ยเนีอยู่บบานทั้งเื่อทั้งบานน่นคอนุ่นไฟเผ่นะทั้งเพื่อจตุรัสขึ้นเร่อนั่นละน่ะโอ้ยยูบ้ายูหยุดหลายพไว้อย่ดวนพื่อก็ตัวตีได้ก็ตัวตีได้เนี่ยอันได้ได้ได้ทํามาเนี่ย อันเข้ามาอย่างนู้นจ้ะโอ้ยจากอะไรมาหาเนี่ยแตนได้ก็ได้แล้ท่านลำขั้นจาธุผัดบัดกูยังวัดกัเพาอวัดอันนี่ขี้โมกเลยวัด น, น้อยไปจังเป็นเล็กน้อยเนี่ยโอ้ยต้งไปยังกู้กากกู้กากพ้องไอพ้องจำเออพ้องไข่พ้องย่างเป็นตัวที่ตัวแด น, นรดโอ้บัดมันจะไปเอานี่ อย่างไปเล่ไเอาดินท่ห้างมันไตบ้าน่ะติดแลนย่งมันายพองเดินจังพองเดินตรงนี่ยพองถอยหลังเอาเท็ดแห้งแห้งไปแล้วให้เท็ดแห้งให้มันลงให้มันรมเนื้อเสีมางไปเอาให้กับมันบโต้เลยถ้าได้กัเนเล่นบินเปรี้ยวคนเดียววิ่งปั๊ไปปั๊มาวิ่ง่แล้วเอาเยอะไปล้เอาคนที่แตกที่แนกไปนะปั๊นั้นมันก็ยังโบเต้ ด like been, h, <re pe a> ูโอ้แต่ดูเด็กๆนหน่วยเขาเดิธรรมะธรรมะผู้ักลุกมน้าเขาพักกันหาท่านนะตอนผู้กเขาเห็นธรรมะนะตัวเราอยังโบว์ชักอย่างเดียวดเอาให้มันตายถะเนามันยังก็บตายตั้งแต่อันตายอู้มันขาดไปเนมันที่ยังเนาะบะมีบุญมีท่านเนี่ยดมาบะมีบุญมาธนาบารมีเกิดมาจังได้สันมาวาเจ้าของ เนเท่าเอายุเท่าไหไมออกมันบ้ันวนมัน้อนนเว้นแดีว่าต่าจะจกินเขากินเขาอิ่มแล้วอันลด่างมือปอนผ้าแล้วกัด่านการนด่งอาเว่ายมวยเอาขอนมู่เลยล่ะเนี่ยยางอ่ะยางบดมือบดคาจนหอยคํามักได้เอี่อยมือกับน้มือกับินน้มือกบบ้บกินอันสันยังหันอ่ะโอ้อันสันเสันเปนะ่ะ เออดา้ท่านมันตายบางดูมันที่ตายบ่นพนอโสตตายไนงะเอาไปเอามาไปยื่อน้ำพึ่งน้องปิวยืวัฒ น, น้มแน่แล้วมาสอบมาถามมาทำถา ม, ถา ม, ารามเราเราก็บอกปากหลายควหนอกเพราะว่าแดดเออเห็ดไปเห็ดไปเรียกไปเนอะว่าหุ่นึกยักษ์วัดหยาบดินมวยยักษ์วัดน่ะเอาหู้นทากดูครับว่าอ่ามึงเจอตุ่จากรูปแต่น้ำมนหมดเรนก อันอันนัทุก่นั้นมันนันหละอันดน้ำมหาพุ่งนว่าน่ะเ้ยกรมี้แต่แต่ขามันย่างอยู่แล้วขาเนี่ยมันก็ยาวก็ผุดซึ่งกเนี้ยเว้ยสนุกคนบัวไตมันก็ผุดซึงกว่าเนอะสนุอ่าวแว่นน่นาะบอกไปหน่อยลิเิกกับพวกคนนู้นเถอเอ่ะเฮ็ดไปเฮ็ดมาเฮ็ดไปเฮ็มาบานนี้บานนี้ก็พักกันบ่แมนดีวฟอลรา้งนะ วันนี้ก็เพื่อนให้มายามบ้านมายามบ้านอยู่สามเดืนเออมาอยู่น้ำหลวงพ่อจันจร์หลวงพ่อจันทําบ้านเนียมาบ้านไปอยู่บ้านหวยไปอยู่หันโอ้ยบ้านเนี่ยไปอยู่กับพงศนพวกวักคู่ขุยวผ่นตุงไปอยู่บ้านหวยเพ่อนนะไปว่ะโอ้ยพ่อแม่เพื่นไ้เจ็บอารมณ์ เทปสองมือเจ็เจ็บไปร่วมยืดทปสองมือบ้านกับผ้ากันปฏิบัติด้หันแล้วเจ็บไปร่วมมนมือที่ทุ่นไทยสมมติว่าเมื่อนั้นเป็นยังไเมื่อน่ะอันตัวรู้สึกเนี่ยมันตั้งแต่ก่อนบูักตัวรู้สึกบัดมื่อนั่นน่ะย่างไปย่างมาจังเลยถไปจับ อันันมันประตูว่มนั่นน่ะแปมันแดนไปใช้กันเนี่ล่ะใช้ใช้ใช้้บนันน่ะใสบนันประตูัวนั่นน่ะประตูถัวมน่ะอ้าวบายางวันหนึ่งอ้าวเมื่ออันกี้มันเป็นมันเป็นี่นอง่นเมื่อจับพวกก็จับป๊บพวกูจาว่าจับเห็นคักเท็งแน่อันนั่นน่ะบานนี้ก็ย่างไปกะหยับบั๊บหยบดินไปปั๊บปั๊บหัวเอาหัวหเอาว่าเป็นตัวน <ilot> ี้หรือต <benefit> ัวหัวท่นวา เออบ้านนี่กันอุย้ยมันมาบัานะ่ะมันคอยเหตดคอยทำคอยเห็ุคอยท่อมตจ้ของขาท่อยเ่าของขาหอดมือขึ้นมาบ่อยากนอนเลยมือนะ่ะตอกเปดดึกเพราะตัง้งบ้านตื่นขึ้นมาเพิ่นตีสี่แล้เพิ่นก็นออกมาทำวัดบ้านมูนะ่ขันน่ะเจ้าของลุกขึ้นมากมาก ย่างไปยังมายังไปยังมาบุยอันมันหนักยัางตัวหนักต้นตัวเลยเออมาเนี่ย้าย่างไปย่างมาน่ะจัดเป็นยังหลุดออกจากข้อเนี่ยบุ้มก็ว่าน่ะจักบงทียมยกของเอามันยังน้เนะมันยังจีนว่าเอาบัดไปเบิ้งคักเอามันเมืนทัวาันธมามันรื้อแนวทันย่างไเลดเบาย่องย่องย่องไปเอา เดี๋ยวบึ้งไม่บึงอย่เราอ่าวเห็นไม่หรืมันเบนโตโตตลอดออาวมันเป็นเป็นรูปดนเล็กแถววะท่านโอ้ยเอารูปประดนดเนี่ยหัว่านเมื่อเพิ่งเก็ของอาโตรูปเรื่อเขานี่กโตนี่ด้วเนี่ยรูปแหนไปเห็นรูปกับน้ำอ่าเห็นออกจาดน้ามันเห็นมาเนี่ยเห็นมาแต่รูปต่รูปเตอๆบานนี้ก็คอยเอาไปเอามาเอาไปมาเบาต้นเบาโต หูจักน้ำหูจักยังเขาเ่าแต่ละอู้คนเฮาบุนี่คนตายนี่ยมันยังว่าได้เอื้ยคนตายมันยังว่าได้ยังว่ได้แท้เวลาถ้าอย่เที่ยงอยู่ของอ่ะไเอาไปองมาเดี๋ยวไปคือเห็นบดบันเหล่อาอ๋อรูปนี่ต้นนี่ได้ต้นนี่น้ำนี่ก็ตันนี้ได้นะโอ้รูปนี้มันเห็น จ, จับถือได้ยู่เนี่ย แล้วก็อันที่ตัวหถืคุ้มยาตัวแขนไว้นี่ก็มันน้ำเหมืน nhả ไม่หัวชักขึ้นหัวชักแล้วยางปใส่เบืงในมีรูบไม่น้ำเบิ้อ้าวมันเป็นนิสัยแต่รูปน้ำนะ่านเลวก็เกิดพุ่มอกพุ่มใจอยากเทศทนอมาจากมันอยากเที่ยงใดเียก็อยากเทศยเอย่งยางก็เทเอบ้านนี้พอยกเทศยดอยาเทศยดท่นบ้านนี้ก็มัน อ, ดอวนดอะไรดอปวดที่รเทศละ ยังไปเที่เข่าเอาสามเข่าที่เข่าไปก็เอาแล้วคืนเอาคืนอีกแล้วพ่อนั่นน่ะมันค่อยเป็นคืนเองบอกบันเทาจะบ่ได้ดูเด็กนั้นจะจะไปได้มันบ่บ่หู่จักก็มันอยากไปกลุ่มได้ก็อยากได้มันนั่นน่ะเขาอยากได้แท้แท้เนี่ยมันไม่ได้ดอกเด้อขันเขาถือบ่เอาแท้แท้เนี่ยมันมีแต่รูปตึกตึกนี่มันค่อยคอยอยเห็นเองเขาจะอยากได้เนี่ย มันค่อยเปลี่นมันจะค่อยไปมันค่อยมากมันค่อยหูจากโอ้อันนี้รูปอันนี้น้ำเนี้ยแต่ตัวเห็นเป็นรูปจะลูปเปนน้ำหรอมันเท็กมันไดมันไม่ใช่บท่านบอกว่านะบอทานได้หูจากเลยอันตัวเห็นเป็นรูปะลูปเป็นน้ำเห็นเป็นรูปจะลูปเป็นน้เอ้าวมาเห็นอันนั้นทำให้เนคักเขาอีกวันเนอ้แต่เห็นมันเป็นรูปดูน้นนู้จับสื่อึส่นไม่จับน้ำแจ้งน้ำคาเจ้าของเนี่ยว่าน่ะ ตัวเลือดเนี่ยคือตัวเลือหนึ่งบวมีตัวบวมมีตัวมันมันรูถือคุกย่าดิมันแมนน้ำมันรั่วเนี่ยท่าไปท่านด่าเห็นกับเห็นเออไปตะลุกตี้ไปเห็นอันอันไปเห็นอันควบคิดเท่านี่ยไปเห็นเราไปเป็นน้าเขาเบิดเขาพ้ายางไปแท็กก็ไปติดติดไนแล้วเออเขาพ้าแลนกับแลนเขาไปยางไกยางเขาว่าฮักไกฮักเขาพะรั้งกขาซั่งไปแต่พื่อแต่เพื่ออายุท่านแล้ว บัดเข้ามาเข่าใจพี่โว้ยมาเห็นคนคิดบัดเข่าใจ ค, คนคิดโอ้โ่ผู้จักเกิดกพบเกิดศาสตร์มาสั่งพบสัางศาสตร์เด้อันนั้นนี่เด้อันโตอันพบสังาส์นี่โตคมคิดผู้อยากไปน้าความคิดแต่เพื่แต่เพื่แต่เพือพอพ่อเขาพาัากหักเขาพักตั้งเขามาเทียวเขา พ, าขาพาเล่นเขาพาักินไปตาลปัตรตุ้เขาพัเขาไปเด้อไปนั้งเขาตัาา้ง่ผู้จักหยุดทันทีบัดเดินมาพี่จะคอยู้จัก มันไม่เข้าใจเพียเอียังค่อยจะค่อยมาไม่เข้าใจอันรูปน้ําเนี่ยเห็นไปเห็นรูปเนี่ยเห็นแล้วมันมีสติมันไปพูดจากเบื้งขั้นหัวใจเห็นปั๊บเนี่ยมันหยุดหยุดมันว่าได้ว่าอันอื่นไปอีกมันว่ได้ต่อใ้ไปทางอื่นมันหยุดหยุดแล้วไปมันก็เท่าสเปรดเลยน่ะวุ้นี่เด้อันตัวเห็นตัวเห็นรูปตัวรูปเปน้ําเนี่ยมันเห็นแต่มันมาเบิ้องหัจใจเจ้าของเนี่ยนั่นนาบันนี้ก็ค่อยเฮ็ดไปเฮ็ดไปก็ค่อยพูดเขา นั่นอันนั่นอันนี่ไปเขาจะดูปยากได้อย่างผูต้องเอาอยัางดงานเนี่ยวิแต่จาคอยเบื้องไปทีแรกเนี่ยมัก็โว้ยมันบ่ให้ไปยุ่นน้ำกระนเบ้อเลยเนาะวิทต่แนวดีเกิดเกิดมากอะเบ้ออยากให้มันหนีแล้วหรอวังว่าทัานเข้าใจไปาะเด็น่ะหัางเห็นตะคว่มคิดยุ่งแต่ไปยุ่กับคว่มขิดดีแน่ทัวแน่เอท่านุกซา น, านหัหัวไปท่านี้เอานั่นแหะอันได้มัน ที่ไอมันไ่ดีอย่าีกระจากให้มันดีไม่อยางที่มันมาอยู่งน้อไม่อยากว่ากับมันเหรอนะมันเป็นสัตว์ค่อยเฮ็ดไปมันค่อยดีไปบัดนี้ท่านหละพราเขาทนปฏิบัติในยิ่งแย่อย่างบ่ต้องเอาดอกให้เฮ็ดหลายๆหลายๆให้พูดซื้อลู่นี่อันอันอันดีก็นีอันทัวก็มี่มันมันอันบอกเขามันสอนเขาบุตรขุดยังตัวเนี่ยบ่หายเข้าหลง ให้เขาพยายามมากกลับขึ้นมาเบงการเคลืนไหวใจรับรู้นะให้มันเห็นด้วยนะด้วยมันเชียนด้วยวิธีใดสักกระามบางอย่างให้เขาเห็นได้รู้แตื่ออย่างมันที่ภาพวัตถัเนี่ยเขาจะไปนะมันจะไปเตียมันเนี่ยมันอยากไปเรียนมันอยากไปกินมันอยากไปคุยกับผู้อื่นผู้นี้สิบ่ได้หูจากคันเท้าหูจากแเรวนี่บ่อยากปากกับผู้ใดรอกอยากอยู่คนเดียวไป เราอยู่คนเดียวเห็ดเด่นอยู่คนเดียวเนี่ยเนี่ะคอยเห็ดอยู่น้เาเผาเนี่ยละมันบม่ไปใส่เราเนี่ยให้ให้เขาเบิง้งแต่ว่าอย่าถูกไปนั่นเด้อ่าถูกไปจะไปดูถูกมิตรประมาเทเจ้าของอันใดเกิดขึ้นเกิดขึ้นให้เป็นผู้หูเธอเอออันคว่ำอยากได้น่ะอยากไปสอนผู่สอนคนสอนคนนั้นสอนคนนี้นี่หลองพอเนี่ยเห็ดมาพอแห้งเรา เห็นมาพอแห้งนี่ได้ตรวนธรรมาสตก็เคยตรวจมาหลายแล้วตั้งแต่ร่วมกับอาจารย์มหาดเดเรกบ้างยังมาเที่ยวเท่ตั้งแต่ของหลวงพอ่อเมื่อได้เห็นต้นหลวงพ่อเทศดอะไอย่างเงี้ยเราก็เอาลายเที่ยวลายเทีจนว่าเบลทข้อเบเพิ่มแล้วตรธรรมาสตร์ตรงนี้ข้อบ่ออ่ะบไดกลับขึ้นไปหาบันไดอีก เนียไปหาเบ่าววัติิบ่าวอะไบางเนี่ยบ่าว่าตถิบ่ากับผู้ใดบัดไปเข้าใจแล้วพี่ผู้ใดกับบ่าว บ, บ่าไปเป็นเอามูอเอาพวกไตวัดเนี่ให้ดูคนเดียวแรกเนี่ยคอยจักเขาค่อยดีเขาดีเขยายกเขามากหุจักขึ้นมากจังค่อยหูยจักมากนั่นแหะเป็นสัตว์อะไรเพราแก่ยุ่ยเป็นนั่นได้จะอยากไปสอนคนเท่านึงดี ด, ดีคนหนึ่งอ่ะอ่าเห็นได้รูปไปอยัางละ อาบ้านี้บอกพวกว่าพอเนี่ที่ไปบ้านเอีที่ไปบ้านน้องค่อยว่าน่ะอยอ่าจทไปทอธรรมะมันกาลังขืนมันเนี่ยมันไปเขามาเจ้าอย่างนี้พวกดิเล่นน่ะเดินนี่มันเจ็บิมีแนวเลยาธรรมะเจ้าสนอเราไปทอสนอว่อกว่า่นเป็นเเป็นหางว่าลยวาผมประยัดอกบัเนี่ยสนอเอาไปเอามาเอากลับขึ้นมาเราโอยพระธรรมะนี้บดย่ที่ห้องที่ให้มาปฏิบัติเขากับบ่ได้แล้วบ่านเนี่ยไปพืดอได้บอกขนมากกรเกิดบ่โหเกิดจากดีคน ตีเพื่นตีเพื่อนคนนั้นเลยกลับเครื่องบิ น, นมนันเป็นเปนเป็นวิปตานูที่อนอนไลน์ท่านนี้ก็ยมันกลายลเรื่อยเละ